มันขื่นมันแสกเนาะมันเสียเว่าฝนตกหนิเด้อมันเป็นวางผื่คืนพันธัญอาหารติดเกิดเพาว่าน้าเข้าก็ติเกิดตอนย่ำฝนตกหนิเพื่อนเนี้ ย, นยั น, นเขา้าพิดเขาฝนตกไปใช้กับไปหยาใจญ่ก็ต้อมใบ น, น, น, นีละต้อมใน้ําาันีล่ะไรอย่างเงี้ดีเซ่ไม่ได้จะเป็นเพาว่านามันนี่ละ ผ น, นตกแสนงถึงท่วงมุดงมสมบูรณ์ผิดพันธัญญาหารอันรังคนคุดหยาอคอผนศพโอ้แผ่นไห้ไปยู่วางมันมีแรงมุ่งแน่ล่ะแผ่นไทยไปยู่จังประเทศอันที่มันฝนฝ่าความตกโ อ, อ้เห็นประโยชน์เห็นบุญคู่สนเป็นท่วมดีของป่าของคนเนี่ยอันเท่าโบัก คือว่ามันเป็นโหดเป็นไผ่กินต่างๆอันเท้าหูแจักเอาประโยชน์โอ้อันนี้กะดีอันนั่นกะเป็นประโยชน์อันนี้กะเป็นจะเอามันเป็นจะเอาคือแนวกัได้หลวเพราะว่ามันเกิดมาให้เท้าเบิ้งแนี่มันเป็นจะจำเรื่องจำเล่าแต่ว่าเท้าคู่เบิ้งเนี่ยิเบิ้งป็นบออันลังเทือเข้าไปเงหนังพระเอกนั่งเอกกเห็นเราก็ชอบใจผู้ไลยเห็นถึงสร้างมัน แต่มันออกมาให้เป็นเหลืองเป็นล่ า, างเห็เฮ้าเบิ้งมันจัง <m ul ch> มวนเั็นมีแต่พระเอกแล้วน่าเอกคือคมันตกโมมวลนี่แหละอันนี้ผู้ไรแล้วมันจังมวนมันจังเส้นหนังมันจังอันนี้แหละพันโลกมันมีค้อมสมบายแน่ข้อมยากแน่ในสิทธิ์เขาจัางเอื่นว่าโลกแต่เป็นมองเป็นที้ให้พวก น, วนักภ า, าวานาอยูหละมาภาวนาเสียเอาดีก็นมาเอาอยู่นีละ่ะคือจังสี่นะคือจัง จ, จับปูจับปลาเนี่ยันก็เมื่อไหร่ยุวังไ น, น, น้สาบ่ได้น้ำบเใช้เศษโหยแานบามันเสียดนั่นเป็นมองเป็นทีทั้งแล้วถึงป่าใหญ่เลยแหงนี่ป่ามันอยู่ในน้ำนต่ตลาดเอาประโยชน์มันมันนี่เหลือดิเขาไปหามบ่ได้หามป่าหามปนเนี่ยหามบ่ได้คนว่าเขากระบอครยามไปหามละเอาเวลาน่ เอาโอกาสเท่านี่ยมาภาวนาถ้ามันกระขัดแต่มันตบ ก, ก็จกไปตามนาทีของโตแต่ว่าเท่ากับที่ภาวนาไปเรืองสิ่มันถึงเล่นเฮ็ด น, นาที่ของมันสิได้เลยนี่เที่แนวเได้บุมีวงังหินดอกมือ น, นึงเว้นหนึ่งบุมีทินเพราะว่าข่าเวลาข่าเวลาเพราะว่าเวลามันเป็นโทษเป็นไท้ันบุมีแนวเฮ็ดเพื่อข่าเวลาเหรอโอ้ยมันถูกมันพ้อนมอัน แต่ว่าขันเท่าเป็นนักภาวนาเพราะต้องขามันเวล่านี่ยภาวนารดยังสี่เราเป็นประโยชน์มัดเวลาเพาเป็นโทษเป็นไผ้ังเน็ตยดังสี่ได้ภาวนามันจังสี่ได้หลายยังจะสั้นคสื้อชีวิตเนี่ยก็บรรยาหลายคนเด้ดอกแปดชิปโตชิปปีเลยยุไปพอปันนั่นแล้วบวชได้ยันต์นําเขาขันเท้าซ้อมไปหันใจเข่าขอเมือหันใจอกของเมืองังสี่เยาว่าชแปดชิปโตชิปปีนะ ทำเท่าเหลืออยู่หนงฝากพ่อคนนี้ไออด้พ่อจะเพดรนะพระวันหน้า